พิจารณาที่เราชื่อว่าปินหบัจเวกอันนี้เป็นบทที่สำคัญมากทีเดียวถ้าเราพิจารณาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลาใดนะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ภูมิคุ้มกันโรคนี่เราก็มีกันมากมายแล้วแล้วก็ไปสแสวงหา ภูมิคุ้มกันจากที่นั้นที่นี่ไปฉีดวัคซีนไปกินยาภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยเรามีเยอะแต่ว่าภูมิคุ้มกันความทุกข์ยังมีกันไม่ค่อยมากหรือว่าไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณานะบทสวดซึ่งเป็นความจริงห้าประการเนี่ยนะอาจจะสวดทุกวันหรือว่าลองพิจารณาอยู่เสมอ ส้วดก็อย่าอย่าสวดแต่ปากหรือว่าแบบนกแก้วนกกุนทองให้พิจารณาด้วยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้คนที่เป็นหนุ่มคนเป็นที่เป็นสาวนี่ก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่ก็ต้องพิจารณาเตือนตนอยู่เสมอว่า ความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาถึงแม้ไม่ใช่วันนี้ก็วันหน้านเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาอภินหาปัจจเวกหรือไม่ได้พิจารณาความจริงนะหลายคนเวลาเจ็บป่วยพบประตเองเป็นะเร็งนะก็ตีพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้น ชั้นอุตสาห์ทำความดีชั้นอุตสาห์ทำบุญให้ฐานรักษาศีลอันนี้เพราะเขาไม่ได้พิจารณาว่าให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่ไม่รักษาศีลเท่านั้นอย่างหลวงพ่อคําเขียนนี่ท่านก็ยังเป็นมะเร็งเลยไม่ใช่ว่ามะเร็งนี่จะเกิดขึ้นแต่เฉพา ะ, ะคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีล ถึงจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระยเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะคลาดแคล้วจากความเจ็บป่วยเังนนแทนที่บอกว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเนี่ยต้องพูดสมัยว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นนะเราทุกคนก็ล้วนแต่มีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักนะที่เป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้หรือว่าที่ ตายไปแล้วเพราะมะเร็งอันนี้ยังไม่นับโรคอีกต่างๆอีกมากมายซึ่งรักษาไม่หายเรามีความตายเป็นธรรมดานะจะลงพื้นความตายไปไม่ได้ต้องพิจารณาอยู่เสมอความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันมันรออยู่แล้วจริงๆความตายมันเกิดขึ้นกับเราทุกขณะนะ เช่นเดียวความเจ็บป่วยเช่นเดียวความแก่เราเจ้ารัสว่าความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไ่ายอยู่ในความไม่มีโรคและความตายมีอยู่ในชีวิตทุกขณะทุกขณะเนี่ยไม่ว่าเราเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็แก่แล้วนะอายุ5ขวบก็แก่กว่าเด็ก2ขวบนะ แม้แต่เด็กพึ่งคลอดนัก็แก่กว่าเด็กในท้องความเจ็บไา้มันก็มีอยู่ในตัวเราถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าก็เป็นคนปกติเดินเหินไปไหนมาไหนได้แต่จริงความเจ็บไา้มันก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเพียงแต่มันยังไม่แสดงอาการนะไอ้ตัวเซลล์มร็งนะมันก็มีอยู่ในร่างกายของเราเกือบทุกคน เพียงแต่ว่ามันมันยังถูกจำกัดขอบเขตไม่ให้กลายเป็นเนื้อร้ายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาในเซลล์มะเร็งแต่ว่าบางทีก็ถูกจัดการไปในตัวเราก็มีเชื้อโรคต่างๆมากมายเช่นวัณโรคนะตรวจเมื่อไหร่ก็เจอนะเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันร่างกายเรามันคุมเอาไว้อยู่มันก็เลยไม่ ไม่ทะเลทะทล่าไม่อารวาสความตายก็มีอยู่ในทุกขณะลมหายใจของเราแต่และ ว, วินาทีมันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเรามีเซล์ตายวันหนึ่งประมาณ5 0า0มถึงแสล้านเซลล์หรืออาจจะมากกว่านั้นนะห0 0มืถึงแ0 0ล้านเซลนีู่ย์ไมลิกี่ตัวนะ ประมาณสิตัวได้1ิ1 2ตัวแต่ว่าเราก็ยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะเพราะว่ามันก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การสร้างเซลล์ใหม่มันทดแทนน้อยลงไอตัวที่ตายมีมากกว่าตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มเจ็บเริ่มป่วยนะแล้วความตายเกิดขึ้นกับเราทุกขณะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนจะออกจากท้องแม่ได้ซ้ํา ไอ้มือของเราเนี่ยที่มันเป็นนิ้วอยู่ได้เนี่ยแต่เดิมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนที่เราอยู่ในท้องแม่นี่มันเป็นพังผืดนะเหมือนกับตีนเป็ดอย่างนั้นอนะ่ะแต่ว่าไอ้เซลล์ส่วนที่เป็นที่เชื่อมที่อยู่ระหว่างนิ้วนะมันค่อยๆตายไปตายไปตายไปมันก็เลยมีนิ้วงอกออกมาหรือกลายเป็นนิ้วนะแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไป มือเรามันก็จะเป็นมือแบบมือเป็ดเป็นพังผืดแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะที่มันมีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราในระดับเซลล์ไม่ทันเดีไม่ทันคลอดออมาเลยนะความตายก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไอความตา ย, ยานี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังเรายังมีลมหายใจอยู่แต่สักวันหนึ่งก็ต้องตายแบบหมดลมจริงๆ แต่ว่าหมดลมแล้วตายนี่ก็ยังไม่แน่นยังไม่แน่นะหมดลมแล้วยังไม่ตายก็ได้นะการรับรู้ทางจิต ก, ก็เกิดขึ้นได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนที่ลงไปกรุงเทพนะก่อนที่จะไปธุระก็แวะไปโรงพยาบาลภูมิพลไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนคนนึงอาการก็หนักมาตลอดนะแต่ไม่มีเวลาไปเยี่ยม ก็ได้มีโอกาสเยี่ยมก็ น, นั่นแหละวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยแกก็เพิ่งเสียชีวิตไปได้สักชั่วโมงกว่าเสียไปตอน8โมงกว่าไปถึงนั่นก็เกือบ10โมงแล้วแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีความเชื่ออยู่ว่าคนที่สิ้นลมแล้วเนี่ยจิตเขายังไม่แตกดับสนิทนะยังสามารถจะรับรู้ได้มันก็มี เการมากมายที่บ่งบอกว่าแมว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วนี่การรับรู้ยังเกิดขึ้นได้พอปั๊มเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็สามารถจะเล่าได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในระหว่างที่เขาหัวใจหยุดเต้นเช่นเห็นคนวิ่งไปเรียกหมอเรียกพยาบาลมาปัม๊มเนี่ยมันก็แปลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเยี่ยมพอไปไปหาคุณยายคนนี้นะ ถึงแม้ก็จะสิ้นลมไปแล้วแต่ก็ยังถือว่าสามารถที่จะพูดคุยน้อมใจให้นึกไปในทางที่เป็นกุศลให้นึกถึงพระรัตนตรัยได้ก็เลยไปคุยไปพูดบอกทางตอนนั้นเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆเขายังไม่ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจยังไม่ได้ถอดไอ้พวกเครื่องที่รับสัญญาณ เลือกสัญญาณชีพนะจอมอนิเตอร์ก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าสัญญาณเปนแบนลาบแลก็ได้คุยกับโยมนะคนที่เพิ่งสิ้นลมคุยประมาณ10นาทีแล้วก็มีการรับสังงทานด้วยแล้วก็นุโมทนาให้แก่ก็ทำเหมือนคนปกติเสร็จแล้วก็รีบกลับเสร็จแล้วก็รีบไปที่อื่นต่อนะเพราะมีงานไม่ได้คุยกับลูกของผู้ตาย ว่าลุงขึ้นเขก็มาเล่าว่าตอนที่อาตมาเนี่ยไปพูดคุยกับแม่เขาเนี่ยไอจอมอนิเตอร์เนี่ยสัญญาณหัวใจเนี่ยมันเกิดพุ่งขึ้นมาก่อนที่จะพูดเนี่ยสัญญาณมันก็แบนราบนะแต่พอพอพูดระหว่างที่พูดเนี่ยสัญญาณหัวใจของแม่เขาเนี่ยก็มันก็เต้งขึ้นมาเลยก็เต้นอยู่สักพักหนึ่งพออาตมากลับไปสัญญาณหัวใจมันก็กลับมาแบนลาบเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่าถ้ามองแบบพูดก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าอจิตของผู้ตายยังไม่ได้แตกดับสนิทนะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือยังไม่ออกจากร่างเพราะฉะนั้นการรับรู้ยังเกิดขึ้นได้คนเรามักจะไปเข้าใจว่าพอหมดลมแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เรียกว่าตายทจริงยังไม่ตายหรอกนะมันต้องผ่านกระบวนการแตกดับทางจิตซึ่งอาจจะกินเวลาครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออาจจะหลายชั่วโมง อันนี้การแพทย์สมัยใหม่นี่เขาเขาไม่รับรู้นะหรือเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะแต่ตัวอย่างที่พูดมามันก็ทำให้เชื่อได้ว่าเขายังรับรู้ได้เพียงแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาได้แต่บางคนก็กลับมานะถ้าหากว่าเป็นการตายแบบปัจจุบันทันด่วนสามารถกลับมาได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แล้วฟื้นจากลงนะที่ประเทศจีนเมื่อ 2ปีก่อนก็มีฟื้นมาจากโรงอยู่ได้หวันก็ฟื้นมาศพไม่เน่านะเพราะว่ายังไม่ตายสนิทฟื้นมาได้แต่สมัยนี้นี่เราไม่ปล่อยให้ฟื้นแล้วในเมืองไทยเราฉีดยาเลยสองชั่วโมงก็ฉีดยาแล้วฟอร์มอลีนมันจะฟื้นได้ยังไงนะโอกาสฟื้นก็เป็นศูนย์ไปเลยอันนี้พูดเรื่องความตายนะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน ยังพิจารณาไปอยู่เสมอนะจะได้กลัวตายน้อยลงแล้วก็ไม่ใช่แค่ความตายของเราเท่านั้นนะความตายของคนที่เรารักก็ต้องพิจารณาด้วยว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นบางคนเนี่ยทาใจได้กับความตายของตัวแต่ความตายของคนที่รักทําใจไม่ได้อันนี้ก็ก็อาจจะอาจจะช็อกได้เหมือนกันข้อที่4เนี่ยนะเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้น ของและของชอบใจนี่ไม่ใช่รุนไม่ใช่หมายถึงทรัพสมบัติเท่านั้นนะอาจจะรวมถึงตาแหน่งหน้าที่เกติยศชื่อเสียงแล้วก็จะรวมถึงคนด้วยนะคนที่เรารักสัตว์ที่เราเลี้ยงนะต้องทำใจต้องยอมรับนะไม่ใช่ว่าพอเกิดของหายขึ้นมาหรือว่าธุรกิจเกิดล้มละลาย ก็มาเสียใจว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับฉันทำไมต้องเป็นฉันนะฉันทำความดีฉันทำบุญทอดกฐินพ่าพ่พป้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยเละเว้นแล้วนะทำไมถึงเกิดขึ้นเมื่อสั30ก30สกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะก็เคยเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดสุรินบ้านเมืองบ้านเรือนก็เสียหายไปหลายร้อยหลังสซนเนอ้อประดาตัวกันเป็นพัน ก็มีหลายคนตัดเพ้อว่าทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นะกระถินก็ดีผ้าป่าก็ดีก็ไม่ไม่เคยขาดเลยแต่ทำไมนะบุญไม่รักษาทำไมทำมากถึงไม่ป้องกันไฟไหม้ก็มีคนตัดเพ้อแบบนี้นะ ให้หลวงปูด่ดูนฟังบางคนก็ถึงบอกว่าไม่เข้าวัดละไม่ทําบุญละพูดทํานองว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีหลวงปู่ดูลนั่นก็พูดว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ทําหน้าที่แบบนั้นคือธรรมะมันไม่ได้ทําหน้าที่ป้องกันไฟไม่ให้ไหม้นะแล้วทางก็ะเพื่อไฟมันทําหน้าที่ของมันนะมันมีมันก็เผาเท่านั้นเองมันเกิดขึ้นมันก็ต้องอเผาผรานสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามัน ท่ก็บอกว่าความเสื่อมความอันตรทานความเสมื่อมสูญความวิบัติความพัดพลาดเป็นธรรมดาโลกคนที่มีธรรมะคนที่ฝ่ธรรมเนี่ยเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะหน้าที่ของธรรมะคือว่าทำไงถึงจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ให้ความพัดพลาดสูญเสื่อมก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าหน้าที่ของธรรมะประโยชน์ธรรมะคือช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ ไม่ใช่ว่าจะไปป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นนะแท่านก็บอกว่าเนี่ยธรรมะนี่มันไม่ได้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้หิวไม่ให้ป่วยไม่ให้เกิดไฟไหม้ไม่ใช่แต่แน่นอนก็ต้องมีความไม่ประมาทเป็นเป็นเจ้าเรือนนะถ้ามีอภิมาตธรรมมันก็ช่วยป้องกันได้แต่บางทีเราป้องกันของเรานะแต่ว่าไอ้บ้านข้างเคียงมันไม่ป้องกันเนี่ย ก็ก็ต้องพอลอยรับเพาะไปด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเรามีธรรมะรักษาใจนะก็จะไม่ทุกข์ธรรมะอะไรที่รักษาใจนะก็ธรรมะที่เป็นความเข้าใจในเรื่องความจริงของชีวิตธรรมะที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่นี่แหละอภินิหาปปจเว เรามีความแก่เป็นธรรมดาจนลบเพิ่มความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะนลบเพิความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจนวบเพิ่มความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่แหละคือธรรมะนี่แหละคือความจริงของชีวิตและของโลกนะถ้าเราน้อมนำธรรมานี้นะมาใส่ใจอยู่เสมอเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆนะ เพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วเราเตรียมใจไว้มานานแล้วนะว่ามันเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้แหละเรียกว่าภูมิคุ้มกันทุกนะปูมิคุ้มกันความทุกเนี่ยเราต้องเราต้องสร้างขึ้นมาเองโดยการพิจารณาอยู่ บ, บ่อยๆไม่ใช่แค่ด้วยการสวดมนต์ด้วยการสวดนะอภินันต์ตเวกเท่านั้น เวลาได้ฟังข่าวสารได้ฟังเรื่องราวของผู้คนนะอ่านดูข่าวทางโทรทัศน์นะเราก็มันก็มีข่าวพวกนี่อยู่เสมอนะนะถ้ารับถ้าฟังโดยที่ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่ามันเกิดกับใครเกิดที่ไหนแต่ว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวด้ว่าเออสักวันหนึ่งอาจจะเกิดเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะสักวันหนึ่งอาจจะเกิดเกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็ได้นะ มันไม่แน่นะเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีหรือสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราคงได้ข่าวนะรถปิกอัพรถรถโรงเรียนไปรับเด็กนะไปรับเด็กอนุบาลเพื่อไปส่งโรงเรียนบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาเ้าหลับอยู่หลังรถหลังหลังที่นั่งคนคนขับนะตรงแคบอะ่ะบอกว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วนี่เด็กคนหนึ่งก็ลงจากรถหมด คนขับก็ไม่ตรวจดูให้รอบคอบว่ามีเด็กลงจากรถหมดหรือยังนะเสร็จแล้วก็เอารถไปจอดไว้ตรงลานโลง่ลงๆมันก็โดนแดดเด็กอยู่ในนั้นเด็กไม่รู้เรื่องพอเด็กตื่นขึ้นมาก็คงทําอะไรไม่ได้แนละ้วเด็กไม่รู้จักวิธีเปิดเปิดเอ่อเปิดประตูรถนะจริงเปิดจากข้างในก็ได้นะแต่ว่าเด็กไม่รู้วิธีไม่มีใครสอน แต่มันก็ร้อนก็เผาเด็กจกนกระทั่งขาดน้ำตายแม่นี่ก็เสียใจมากแล้วก็แม่ก็พูดประโยคหนึ่งนะให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็หมายความว่าแม่ของเด็กเคยดีเรื่องราวบบนี้มา ก, ก่อนแล้วนะแต่ว่าไม่เฉเลียวใจหรือไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยทําใจไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ประมาทเราก็ลองเผื่อใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เคยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างนะพอมันเกิดขึ้นก็ก็จะไม่ทุกข์หรือว่าไม่ฟูมฟจนทั่งหมดเนื้อหมดตัวไอ้คอแบบนี้เนี่ยมันก็โหดร้ายนะแต่ว่ามันก็ ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร0อยเนพิจารณาไว้ข้อที่5้าเนี่ยนะก็สำคัญเหมือนกันนะเป็นเรื่องกรรมนะเรามีกรรมเป็นของตนนะเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นนะเรามีกรรมเป็นของของตนอันนี้ต้องทำความเข้าใจดีนะเดี๋ยวนี้มีความมีการพูดกันว่าเนี่ยบางทีพ่อแม่รับ แ้วพ่อแม่ทำชั่วแล้วลูกไปรับกรรมของพ่อแม่อันนี้มันไม่มีนะถ้าถ้าพ่อแม่ทำชั่วพ่อแม่ก็ต้องรับกรรมไม่ใช่ว่ากรรมจะมันจะไปถ่ายเทที่ลูกกรรมใครกรรมมันนะถ้าใครทำชั่วเขาก็ต้องรับกรรมไม่ใช่ว่าคนอื่นจะรับกรรมแทนเนี่ยถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นแม่อยากจะรับกรรมแทนลูกก็ทำไม่ได้นะเห็นลูกป่วย ในลูกเป็นมะเร็งประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งพิการหรือว่าสมองตายหรือว่าโคม่าเนี่ยแม่นี่รักลูกมากบอกขอรับกรรมแทนลูกเองนันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนนะคเดียวกันนะถ้าหากว่าพ่อแม่ทำไม่ดี แล้วลูกเกิดเจ็บป่วยนี่ก็อย่าไปคิดว่าเป็นเพราะกรรมของพ่อแม่นะมันคนละเรื่องคนไทยเรา ย, ยัางเข้าใจเรื่องกรรมนี่ไม่ค่อยถูกต้องไปคิดว่ากรรมนี่มันถ่ายเทกันได้หรือว่ามีการรับกรรมแทนกันได้ถ้ารับกรรมแทนกันได้นี่โอ้ยพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะท่านหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็พร้อมที่จะรับกรรมละมันมีแต่ช่วยนะช่วยไม่ให้ไม่ให้เดือดร้อน อย่างเช่นพระโพธิสัตว์นะในสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นฤาษีเข้าไปในป่ากับลูกศิษย์ก็ไปเห็นแม่เสือเสือแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันเพิ่งคลอดลูกนะแต่มันหิวมากนะมันทํำท่าจะกินลูกของมันพระโพธิสัตว์ก็อยากจะช่วยก็เลยบอกให้ลูกศิษย์ไปหาอาหารมาให้แม่เสือแต่ว่า ไปนานไม่กลับมาแม่เสือนี่ก็เตรียมจะขยุ่มนะลูกเสือท่านทำยังไงนะทานท่านท้งการช่วยชีวิตลูกเสืเอไว้ท่านก็โดดลงไปเลยนะให้แม่เสือกินแทนสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตสละร่างกายเพื่อช่วยชีวิตของลูกเสืเอไว้อันนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะอันนี้เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะ ไม่ได้คิดว่าเสือนี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ควรไปช่วยมันบางคนไปคิดว่านี่เอ้ยเราจะสละชีวิตก็ต้องสละชีวิตให้กับคนจะสละชีวิตให้กับสัตว์นี่มันไม่คุ้มค่ากันนะสละพระโพธิสัตว์แล้วนี่ไม่ว่าชีวิตคนชีวิตสัตว์มีค่าเสมอกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะสละชีวิตของท่านเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตของลูกเสือ แล้วก็มันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องกรรมนะบางคนไปเคี่ยอ้อเนี่ยลูกเสือเนี่ยมันทำกรรมมันทํากรรมไม่ดีกับแม่มันในชาติที่แล้วชาตินิ่มก็เลยจะโดนแม่มันกินอันนี้ก็ไม่มีพระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่มีความคิดแบบนี้อันนี้เรามีกา ร, รเป็นของของตนนะเราต้องผลของกรรมนั้นและเรามีกรรมเป็นแดงเกิดนะเรามีกรรมเป็นแดงเกิดก็คือว่าตัดแด่ที่เรายังทํากรรมไว้จะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามมันก็ เป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดเพียงแต่ว่าไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีไปเกิดในสุกติหรือทุกติตราบใดที่ยังทํากรรมนะแม้จะเป็นกรรมดียังต้องไปเกิดนะแต่ว่าอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมถ้าไม่เกิดก็เพราะว่าเหนือกรรมเหนือกรรมดีกรรมชั่วเหนือกรรมดํากรรมขาวกรรมนี้ท่านเปรียบเหมือนกับเป็นเป็นที่เป็นเป็นผืนดินนะเป็นพื้นดินอนุดม ส่วนวิญญาณนี่ท่านเปรียบเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยถ้ามันตกในดินแล้วมันมียางนะมันก็ยังต้องเกิดนะไม่อยากให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันตกอยู่ในดินนะที่อุดมและเม็ดข้าวนั้นมียางท่านก็เปรียบว่าวิญญาณเนี่ยก็คือเมล็ดข้าวยางก็คือตันหาถ้าว่าวิญญาณ น, นั้นประกอบด้วยตันหายังมีอวิชาอยู่แล้วก็ทํากรรมได้ทําท ำ, ท ำ, ท, ำทำกรรมไว้มันก็ครบเลยนะ มีเม็ดข้าวและเม็ดข้าวนั้วมียางแล้วก็เป็นที่ดินที่อุดมก็เกิดนะอ้นี้พระเจ้าเปรียบนะให้เห็นว่าเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดนะแล้วเหตุปัจจัยหนึ่งนะก็คือกรรมไอ้ที่เรียกว่ากรรมเป็นดนเกิดเคิรนนี้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวนะไม่ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง อย่างเดียวนัเกิดในที่นี้เนี่ยยังหมายถึงเกิดทางจิตปัญญาณก็ได้เช่นเกิดเป็นมีความสําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นพระฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักร้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเกิดได้เหมือนกันนะหรือความรู้สึกว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่นี่ก็เป็นการเกิดเหมือนกันนะแล้วมันก็เกิดเป็นพักๆนะแม่นี่ คนที่เจอลูกก็จะเกิดความรู้สึกว่าฉันเป็นแม่แต่พอคนนั้นไปเจอพ่อก็จะรู้สึกว่าฉันเป็นลูกพอคนนั้นไปเจอฝรั่งก็เกิดความสําคัญว่าฉันเป็นคนไทยนะพอขึ้นรถก็เกิดความสําคัญว่าฉันเป็นผู้โดยสารนะอันนี้ก็ เ, เป็นการเกิดนะเป็นการเกิดทางวิญญาณก็เรียกว่าเป็นภพและภพเนี่ยนะมันจะอุบัติขึ้นมาได้เพราะมันมีกรรมมาภพ กรรมภพเนี่ยก็คือกรรมที่ทาให้เกิดภพนะกรรมที่ทำให้เกิดภพเนี่ยก็คือกรรมที่เกิดจากอุปทานเช่นคนที่อยากเป็นนักร้องเขาก็ต้องพยายามไปฝึกร้องเพลงเขาก็พยายามเรียนแบบดาราเรียนแบบดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีเขาก็เรียนแบบทั้งท่าทางทั้งเสื้อผ้าทั้งเครื่องแต่งกายไอการการะทำทั้งหมดนี้เขาเรียกกรรมภพก็คือกรรมที่ทำให้เกิดภพ ทำไปทำไปก็เกิดความรู้สึกเลยว่าฉันเป็นนักร้องฉันเป็นศิลปินอันนี้ก็เรียกว่าอุปติภพเกิดขึ้นก็คือการเกิดพบเกิดความสําคัญว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ดังนั้นคำว่ากรรมเนี่ยเป็นด่านเกิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปเกิดอ่าไปเกิดในชาติต่อต่อไปเท่านั้นนะแม้กระทั่งขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้เนี่ยมันก็เกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้กี่ครั้งเป็นการเกิด ทางวิญญาณก็เรืออุปัติภพและที่มันเกิดได้เพราะมันมีกรรมภพนะกรรมภพคือกรรมที่ทําให้เกิดภพทําให้เกิดความสังเคราะห์เป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเกิดก็ตามถ้ามืนจะกระตามที่มีเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ไม่มีความสําคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่นะคือถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตันหาอุปาทานเนี่ยมันก็ไม่เกิดเป็นอุปัติภพขึ้นมาไม่เป็นอะไรเลยนะอย่างที่หลวงพ่อมเขย ว, ว่าไม่เป็นนะไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ย มันหมายถึงว่ามันไม่เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีความสําคัญว่าเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันมีแต่สมมุติรู้ว่าสมมุติเป็นสมมุติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นนายกรนายขอสมมุติเป็นมนุษย์นี่เป็นแค่สมมุติแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นในลักษณะนี้ก็ไม่เรียกว่าเกิดนะที่หลวงพ่อความเขีย ว, ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะมันก็คือความหมายทํานองนี้แหละ นะก็คือว่ามันไม่ไม่มีความสําคัญว่าว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอุปทานจึงไม่มีภพเกิดขึ้นนะเพราะว่าตัณหาอุปทานมันทําให้เกิดภพเกิดชาตนะินนี้มันก็มีอยู่แล้วในปฏิจจสมุปบาทตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทําให้เกิดชาติเมื่อไม่มีตัณหาไม่อุปทานก็ไม่เกิดภพอย่างที่พระอาจารนี่ท่านบอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็น คนทันไม่เป็นยักษ์ไม่เป็นมนุษย์เพราะว่าอาสวะกิเลสที่ทําให้เป็นเทวดาเป็นคนเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์ไม่มีแล้วถอนออกได้หมดแล้วนะไม่เป็นอะไรเลยวุฒิจันีรไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ถ้าจะเรียกท่งก็เรียกถ้าจะเรียกโพรงก็เรียกโพรงว่าเป็นพุทธวุฒจานท์นี้ไม่เป็นอะไรเลยนะก็คือไม่มีภพแล้วไม่เกิดชาติแล้วเรียกภพภพสิ้นแล้วนะชาสิ้นแล้ว แต่ว่าคนเราก็ยังไปสําคัญบรรทมหมายพระองค์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระบรมศาสีริาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะเป็นยอดอ่าเป็นมหาบุรุษอันนี้เป็นสมมุติที่เราตั้งให้กับพระองค์แต่พระองค์ไม่เป็นอะไรแล้วหลวงพ่อเขียนท่านก็ชอาไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยอันนี้กรรมเนี่ยมันเป็นแดงเกิดตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราเองก็เป็น พ่อแม่ของกรรมเหมือนกันนะกรรมทําให้เราเกิดมาแต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ทําให้มีกรรมเกิดขึ้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่มันอยู่ที่เจตนาของเร า, ท, าทันทีที่เรามีเจตนานะกรรมก็เกิดขึ้นแล้วนะกรรมปรุงแต่งเราแ ล, แล้วเราก็ปรุงแต่งกรรมนะอันนี้มันมันมาด้วยกันกรรมปรุงแต่งเราและเราก็ปรุงแต่งกรรมเราตัดสินใจได้ว่าเราจะทําดีทําชัว่ว เราจะปฏิบัติธรรมหรือไมนะ่เวลามีคนมาด่าเราเราตัดสินใจได้ว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธเราจะทำร้ายเขาหรือไม่อันนี้อยู่ที่เจตนาของเราเพะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็จึงมีกรรมเป็นเผ่าพันธุนะ์กรรมมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายว่ากรรมเนี่ยมันเกิดจากเราและเราก็เกิดจากกรรมนะอย่าไปสับสนนะมันมันเป็นธรรมดา ก็เมืขยะเนี่ยขยะทําให้เกิดต้นไม้ขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็ทําให้เกิดขยะขึ้นนะขยะทําให้เกิดต้นไม้นะแล้วต้นไม้ก็กลายกลับไปกลายเป็นขยะนะนี่เรามีการเป็นแดงเกิดเรามีการเป็นเผาผ่านเรามีการเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้สําคัญมากนะอยากจะพ้นทุกนะอยากจะหนีทุกอยากจะมีความสุขก็ต้องอาศัยกรรมอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็ต้องอาศัยกรรม นะไม่ใช่ไปวิงวอนอ้อนวอนเทวดานะบนบานสายกลา่าอันนี้เรียกว่าไม่มีการเป็นที่พึ่งนะเราอยากจะเรียนให้เก่งนะก็ต้องภาคเพียรขยันหมั่นเรียนนะไม่ใช่ไปบนบานสารพระพรมทุกวันนี้ชาวพุทธเราไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปฏิหารมากแล้วก็พึ่งโชคจะไป เวลาจะสอบนี่ก็ต้องไปบนแล้วนะหรือไม่ก็อวยพรก็ว่าขอให้โชคดีนะคนญี่ปุ่นนี่เขาไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่อวยพรว่าโชคดีนะเขาจะเขาจะอวยพรว่ากรรมบัตเตะก็คือว่าขอให้สู้ขอให้ขยันมันเพียรขอให้อย่าท้อถอยอันนี้แหละเป็นเรื่องกรรมแท้ๆเลยนะก็คือว่าต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งความเพียรของตัวการพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ใช่เป็นพ่อโชคไม่ใช่เป็นพาะมีสิ่งศักดิ์สิธิ์อิทธิิปฏิหารช่วยแต่เพราะกำรรคือการกระทำนะเริ่มตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการบาเพ็ญภาวนาหรือว่าการทำมรรคมีองค์แปดให้ให้เกิดพร้อมนะแต่ทำไปทาไปนั่นก็จะเหนือกรรมนะถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะจิตก็จะเหนือกรรม โดยเพราะเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยสิ่งที่ทำนี่มันไม่ใช่กรรมแล้วมันเป็นแค่กิริยานะมันไม่ทำให้เกิดเป็นมันไม่มีแดนเกิดอีกต่อไปนะมันไม่มีแดนเกิดอีกต่อไปไม่ว่าเกิดทางบิญญาหรือเกิดเป็นรูปเป็นร่างจากท้องแม่มันไม่มีลถ้าหากว่าอยู่เหนือกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานะควรจะเข้าใจนะอ่าเยหรือย อ, ยอย่างในน้อยเนี่ย ถ้ากรรมยังเข้าใจไม่ค่อยได้ยังไม่ชัดไอ้สีข้อแรกเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเราจะต้องผ้าผจากของแล้ของชอบใจทั้งนั้นนะเราไม่อาจจะหนีพ้นความแก่หนีพ้นความเจ็บป่วยหนีพ้นความตายไปได้แค่พิจารณาสีข้อนี้อยู่เป็นประจำนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วในทําให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ นะไม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนนะมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะเพียงแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นแค่กายมันจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราหรือว่ามันจะลามไปจนถึงเกิดขึ้นกับจิตใจของเราพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระริยะทั้งหลายเนี่ยก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะเพราะท่านต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพลาดสูญเสีย แต่ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นแต่เฉพาะกับทรัพสมบัติกับร่างกายของท่านแต่ว่าทำอะไรจิตใจไม่ได้จิตใจก็ยังผ่องแผ้วนะแจาสายเบิกบานนะก็มีแต่ร่างกายที่เสื่อมไปมีก็มีแต่เข้าของที่เสื่อมไปหรือก็มีแต่คนรักนะที่เนียนเป็นไปแต่ว่าใจไม่ไม่กระเทือนอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําได้ถ้าหากว่าเรา นะพิจารณาทั้งสข้อแล้วก็ข้อที่5้าเนี่ยเราลงมือกระทําี่ข้อนี้มันแค่พิจารณานะแต่ว่าข้อที่5้าเนี่ยเข้ามาถึงการลงมือกระทาก็คือสร้างกรรมทำกรรมดีศีลทานศีลภาวนานะจเจริญมรรคีอง8จนกระทั่งจิตสามารถจะอยู่เหนือกรรมได้นะถึงตอนนั้นนี่นะก็ความทุกข์กระทำอะไรไม่ได้เลยว่า พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ไม่เกิดขึ้นทุกข์ไม่อาจดีบคั้นได้ก็พูดกันเท่านี้นะคำนี้เอากลับพระ